ถ้าเป็นรูเขาทอดนกโคได้ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมตุติเอาเข้าเอาออกให้กันได้เราจะไปติดทำไมสมมุติเอาโดยกฎของธรรมชาติจริงจริงว่าให้เราเป็นอิสระได้จริงๆรงวันนี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมะก็เลยรู้คนไทยจริงๆคำว่าไทยไทยนี่หมายถึงเป็นอิสระแต่ไม่ใช่อิสระอยากพูดอะไรพูด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 จำได้แต่บางคนอาจจะไม่รู้วิธีทำคาว่าจิตหลุดพ้นทำอย่างไรจิตจึงจะหลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าจิตเป็นอิสระเป็นประภักสอนเรียกว่าจิตหลุดพ้นเป็นอย่างนั้นดังนั้นการกระทำเรื่องนี้มีทางเดียวเรียกว่าทางสายเอกกคือการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา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 รู้เอียงซ้ายเอียงขวารู้พิพตาอ้าปากรู้หายใจเข้าหายใจออกรู้กืนน้ำลายผ่านลงไปในลำคอรู้เอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยรู้รู้ทุกวิธีอันนี้เรียกว่าสมบูรณ์ทรี่ว่าเต็มบริบูรณ์เมื่อเต็มแล้วเกิดความคิดหรือปัญญาสนิดหนึ่งให้เรารู้ตัวเอง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 รูรูปโลกรูน้ำโลกรูโลกนามโลกมีสองอย่างโรคทางกายโรคทางเนื้อหนังต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอที่โรงพยาบาลจะตรวจเช็กกลางกายว่าเป็นโรคชนิดใดหมอจะให้ยารักษาโรคอันนั้นหาได้แต่โรคชนิดหนึ่งความดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจ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 บัดนี้มาเจริญสตินิทู้จากศาสนาลู้จากพุทธศาสนาลู้จากบาปรู้จากบุญจริงๆแล้วบัดนี้อาตมาก็เลิกขานั้นเป็นาธาตุของบุเรอัตมาสุ บ, บุเรแล้วกัดดืเบียร์อีกนะด้วยเนะี่ยเป็นาธาตุของสิ่งเสรตจิดพอดีรู้อันนี้ก็เลิกได้เด็ดขาดมาตั้งแต่อายุสี่สิบหกปีมาถึงอายุ